อันนี้ระวังให้มากๆเลยนะเพราะมันเผลออยู่เรื่อยเพราะจะมาสังเกตจากนักปฏิบัติธรรมที่บางทีมาปฏิบัติแล้วมักจะเผลอตรงจุดนี้บ่อยๆคือชอบเปรียบเทียบกับเพื่อนฝูงนะคนนั้นคนนี้เปรียบเทียบเปรียบเทียบทีไรอ่ะเดี๋ยวก็พังเพราะอย่าไปเปรียบเทียบแล้วพอเปรียบเทียบแล้วก็คิดไม่เป็นด้วยนะจริงๆเนี่ยเปรียบเทียบนะมันพอได้ถ้าคิดเป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอไปเปรียบเทียบแล้วคิดไม่เป็น อย่างเช่นพอเราไปเปรียบกับคนที่เขาสูงกว่าเราเราก็มาน้อยใจเสียใจว่าโอ้โหเขาทำได้มากกว่าเราได้ดีกว่าเราแต่พอเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาต่ำกว่าเรานะเขาทำได้ได้น้อยกว่าเราบางทีเราก็แหมมาหลงเหลืงแล้วบางทีก็อาจจะดูหมิน่นดูแคลนเขาอันนี้คือพวกที่เปรียบเทียบไม่เป็นเพราะอันนี้ต้องระวังเพราะคนเราอย่างที่อาตมามักจะบอทไปเสมอว่า พอเวลาเราถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมักจะพลาดตรงมันชอบมองไปที่คนอื่นเขาถึงบอกว่าตาเนี่ยมองออกไปข้างนอกมีใครไหมตากลับมองเข้างในมีไหมตากลับอะตาขาวเลยตามองเ้าไปข้างในไม่มีหูก็เหมือนกันหูก็กลางรับคนอื่นอคือคือคือโดยสตรีละเนี่ยมันพุ่งไปที่ภายนอกเข้ามา แต่ถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยเราต้องหัดเขาถึงบอกว่าต้องใช้ตาในนะหรือตาทิพธ์ถ้าหูเนี่ยเขาบอกต้องหูทิพธ์เนี่ยคำว่าตาทิพธ์หรือคําว่าหูทิพธ์เนี่ยหมายถึงว่ารู้จักมองตัวเราเองตาทิพธ์ตาทิพธ์หูทิพธ์นี่เป็นใจหมายความว่าไปมองคนอื่นนะวันส่วนใหญ่ที่บางทีเข้าใจเนี่เป็นยังไงตาทิพธ์โอ้โหมองทะลุผนังทะลุกําแพง อไอ้เห็นเลยนะเห็นอย่างกับซูเปอร์แมนเงี้ยมองไปทะลุเห็นเลยใครไปอยู่หลังกงําแพงอ่าอันนั้นไม่ใช่อ่ะถ้าของพูดเนี่ยคำว่าตาที่ยมาถึงโอ้โหสามารถมองกิเลสของเราเนี่ยทะลุทะลุปูปโปรงเลยโอ้โหนี่กิเลสเรานี่มันมันโลภเหรอนี่มันโกรธเหรอนี่มันหลงผิดอย่างนี้เหรอหน่าเห็นชัดเลยนี่นี่คือตาทิพย์ส่วนหูทิพย์ก็คือแหมเวลาเราพูดจาอะไรออกไปเงี้ย เราสามารถที่จะแยกแยะเลยฟังได้เลยว่าโอ้โหตอนนี้ที่พูดไปเนี่ยนะใจเราเราบอกว่าเมตตาเมตตาเมตตาแต่จริงๆเราแยกแยะได้เลยว่าโอ้โหไอ้ที่พูดไปตอนนี้ไม่ใช่เมตตานะพูดไปแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็หวังที่จะให้ได้ประโยชน์บางสิ่งบางส่วนกลับมาที่เราเมตตาแบบมีผลประโยชน์อ่ามีผลประโยชน์หกสิบเซเมตตาเขาสี่ซ นี่หูทิพย์สามารถแยกแยะได้เลยว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะนี่คือหูทิพย์เพราะถ้าใครเนี่ยเข้าใจได้รู้อันนี้ได้ใช่ไหมโอ้เรามีทั้งตาทิพย์เรามีทั้งหูทิพย์พอเราถือศีลปฏิบัติทำไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันแยกแยะได้เลยจะพบจะเห็นจะได้ยินแล้วจะไปทําอะไรมาก็แล้วแต่เราแยกแยะได้เลยจับกิเลสเราได้ทันคนที่จับกิเลสเราได้ทันอย่างนี้มันก็จะปรับแก้ สภาวะจิตใจของตัวเองได้เพราะงั้นคอขอนั้นปรับแก้ได้โอ้โหคุณก็เริ่มชนะสิคุณก็เริ่มควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้คุณก็เริ่มชนะขึ้นมาเพราคุณชนะขึ้นมาคุณก็ภูมิใจตัวเองด้วยเออเอ อ, เ อ, อนี่เริ่มชนะกิเลสขึ้นมาและห้าเปอร์ซนสิบอร์ซนะห้าสิบอร์ซนตก็แล้วแต่เพราะงั้นคราวนี้เนี่ยความภูมิใจที่ดีที่สุดและวิเศษที่สุดก็คือความภูมิใจที่ เราสามารถลดกิเลสเราลงมาได้นะอันนั้นจะเป็นความภูมิใจที่ดีที่สุดนะอันนี้ต่อไปนะสองข้อ่วนอีกคนหนึ่งถามว่าการที่เรารักศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นในสิ่งที่กุลสตรีไทยไม่พึงกระทำให้เสื่อมเสียตรงนี้เป็นมานะอัตตาหรือไม่ อย่างไรอัตมาบอกแล้วว่าไอ้คำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเนี่ยถ้าเราไปใช้ปนเปเลยเนี่ยมันก็อาจจะงงๆอยู่บ้างคําว่าศักดิ์ศรีหรือคําว่ามานะจริงๆถ้าเอาโดยเนื้อแท้เนี่ยคําว่าศักดิ์ศรีหรือคําว่ามานะเนี่ยมันจะเป็นคํากลางๆไม่ดีแล้วก็ไม่จะหมายถึงว่าเลวมันจะเป็นคํากลางๆนะอย่างมานะเนี่ยแปลว่าเราก็อะไรอะ ยึดดีหรือว่าถือดีของเราซึ่งถ้าบโดยปกติเนี่ยคนเราจะทําดีถ้าไม่มีมานะตอนนี้นะไม่มีตัวยึดดีหรือว่าตัวถือดีอันนี้เอาไว้เนี่ยถ้าคุณไม่ถือเป็นเป็นยังไงถ้าคุณไม่ถือไว้เป็ น, ปนยังไงมันก็หล่นเท่านั้นเองเพราะดีมันก็จะไม่มีหรือดีมันก็จะไม่ได้เพราะใหม่ๆเนี่ยบางทีมันต้องมีพวกนี้อยู่เหมือนกันแต่มานะอย่างนี้เนี่ยเป็นมานะในทางที่ดี กาใช่ไหมมานะตัวเนี้เป็นตัวที่เราเนี่ยปรารถนาต้องการทำดีอยากจะได้ดีอยากจะมีดีเอาไว้นะโหเนี่ยยึดเป็นศักดิ์ศรีเลยว่าต้องเอาดีให้ได้ชาตินี้ถ้าดีไม่ได้อ้ายหมามัน <c oughs> นะถ้าเอาดีไม่ได้ก็อ้ายหมาเพราะฉะนั้นพอเราเองเนี่ยเรามันมีตัวนี้ขึ้นมามันก็มีพลังใช่ไหมในการที่เออเราจะพยานยาทาดีถ้ามานะดีแบบนี้ นะเราก็ถือว่าเป็นกุศลไปเราไม่ถือในแง่เลวร้ายแต่มันมีมา n a เลวก็มีมาละ mana เลวนี่คือตอนนี้มันหลงตัวแล้วมันหลงบางทีเราได้ดีมาเนี่ยแล้วเราก็ถือดีของเราเราก็อวดดีของเราว่าเรามีดีเพราะฉะนั้นคราวนี้มันจะดูหมิ่นคนอื่นหรือว่ายกตนข่มคนอื่นเขาอ่านะอวดดีอวดเก่ง เพราะฉันเก่งฉันแน่อันนี้แหละนี่เนี่ย น, นี่ก็คือศักดิ์สิทธิ์มันนี่ก็คืออัตตามานนะแต่คราวนี้เป็นกิเลสแล้วคราวนี้เป็นกิเลสนะเป็นตัวที่อาคุศลเป็นตัวทําเลวทําร้ายกับเราแล้วแต่ในที่นี้เนี่ยพูดถึงว่าเรื่องของศักดิ์สิริลูกผู้หญิงไม่รู้หนังมีหรือเปล่าเรื่องศักดิรีลูกผู้หญิงเขาจะยินแต่ศักด์รีลูกผู้ชาย <c oughs> นะจริงๆผู้หญิงก็ต้องมีศักด์รีของเขาอยู่ นะอันนี้หนีไม่พ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจคํานี้ได้เนี่ยอะไรที่ดีต่างหากล่ะถ้าคุณมีศักดิ์ศรีในทางที่ดีนะที่ถูกต้องที่เป็นกุศลอันนั้นแหละถือว่าถ้าคุณทําได้เป็นบุญฟังให้ดีแต่ถ้าศักดิ์ศรีอันไหนเนี่ยบางคนน่ยยึดศักดิ์ศรียึดยึดยังไงรู้ไหมยกตัวอย่างให้ฟังผู้ชายบางคน สมมุติว่าสูบบุหรี่อย่างเงี้ยผู้ชายบางคนสูบบุหรี่ยกตัวอย่างหยาบหยาบให้เห็นชัดๆใช่ไหมปกติสูบวันละซองสูบวันละซองมีศัก์สีตองเข้าวันละซองเพราะฉะนั้นวันไหนสูบน้อยกว่าซองไม่ได้เสียศัก์สีหมดให้อย่างนี้อย่าไปมีศักด์รีดีกว่าไม่ใ่อันนีพราะนี่มันเลวไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ในทางที่ดีอแต่อีกคนนึงบอกอเฮ้ยฉันมีศักด์รีนะ ชั้นเคยสูบมาชั้นเคยติดมาทุกวันนี้ชั้นเลิกแล้วอะทุกวันนี้พยายามไม่สูบแล้วไม่ติดมาแล้วพยายามเลิกมาพยายามโอ้โหบําเพ็ญเพียร เ, เลิกเลิกเลิกไม่สูบไม่สูบงดมันนะเพื่อนคนที้เพื่อนเอามาล่อเอามาจะมาให้สูบเอามาใช้เล่เพทูบายที่จะให้สูบอีกเนี่ยคนนี้ยังไงยังไงก็เฮ้ยไม่เอามีศักดิ์ศรีที่จะแบบว่าเราจะยึดเดียด น, นี้ไว้อ่ะเราจะไม่สูบอ่ะ เราจะไม่ไปติดอีกอ่ะอันนี้ศักด์ศีในทางที่ดีอันเนี้ยศักดิ์ศรีในทางที่ดีเพราะมันไม่ได้สําคัญตรงที่คําว่าศักดิ์ศรีแต่มันสําคัญตรงที่ว่าดีหรือว่าไม่ดีอะถ้าเป็นศักดิ์ศรีในทางที่ดีอ่ะคุณรักษาเอาไว้ไม่เสียหายอะไรเป็นบุญเป็นกุศลด้วยแต่ถ้าเป็นศักดิ์ศรีในทางที่ไม่ดีเรารู้เลยโอ้โหอันนี้ไม่ดีแล้วโดยเอามาเปรียบกับอะไรเอามาเปรียบกับศีลก็ได้พราะอันนี้มันผิดศีลหรือเปล่า ถ้าเปรียบแล้วเอา้าศักดิ์ศรีแบบนี้นี่มันผิดศีลนี่มันไม่เข้าท่าอะไรมันไม่ถูกเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยขัดเคืองกันมั่นนะปรากฏว่าสองคนก็เลยพอพูดคุยกันเสร็จไม่ชอบใจกันบางทีพ่อลูกเนี้ยบางทีพ่อก็เลยไม่พูดกับลูกลูกก็ไม่พูดกับพ่อต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีไม่พูดกันเพราะฉะนั้นเอ้ยศักดิ์ศรีไว้ศักดิ์ศรีอ้วนไว้ เพราะนั้นว่วไม่ยอมพูดก่อนหรอกนะไอ้นั่นมันลูกลูกมันต้องพูดกับเราก่อนอส่วนลูกก็บอกแล้วลูกก็ศักดิ์ศรีของลูกเหมือนกันลูกก็มีศักดิ์ศรีนะลูกก็บอกว่าเอา้าพ่อนะผู้ใหญ่แล้วอ่ะพ่อแนละ้วต้องมาพูดกับลูกก่อนสิเพราะพ่อนะั่นแหละโตแล้ว่เป็นผู้ใหญ่แล้วอะผู้ใหญ่แล้วเนี่ยน่าที่จะรู้อะไรดีรู้อะไรต่ออะไรมากกว่า ผู้ใหญ่นะ น, น่าจะเป็นผู้ที่สอนเด็กหรือว่าผู้ที่มาพูดก่อนอะผู้ใหญ่ยังไม่พูดเลยแล้วเขาจะไปพูดทําไมสมมุติว่ากรรมีต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองแต่เหตุผลอย่างอย่างเนี้ยเหตุผลอย่างยึดศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ยึดแบบจริงๆแล้วยึดแบบเอาตามใจตัวเองเอาตามกิเลสตัวเองในทางที่ผิดผิดถ้าศักดิ์ศรีแบบนี้ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลย ทั้งพ่อลูกคููนี้นี่ใช้ไม่ได้แล้วถ้าใครคนนี้ใครรู้เลยว่าเออไอ้จริงๆแล้วเนี่ยใครพูดได้ก่อนใครยอมได้ก่อนเออคนนั้นลดลดศักิ์ศรีที่ไม่ดีอันนี้ลงมาได้นั่นแหละคือความดีโอ้โหรู้อย่างนี้เข้าใจได้ยอมได้ยอมไปงอก่อนยอมไปพูดก่อนอ่านี่สินี่คนนี้ถึงจะเรียกว่าศักดิ์ศรีในทางธรรมะศักดิ์ศรีในในทางความดีอย่างนี้อย่างนี้ คนนั้นจะได้บุญได้กุศลแล้วก็จะทำให้เป็นคนที่อะไรอ่ะอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ได้ดีนะหรือว่าเข้าถึงเรื่องของการที่มีความอ่อนน้อมหรือว่ามีความเคารพกันนะไม่ใช่เย็นชากระด้างไม่ใช่ถือตัวถือตนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของศักดิ์ศรีหรือเรื่องของอตัตมานะให้เราเข้าใจว่ามันดีหรือไม่ดีในเรื่องนั้นๆถ้าเรารู้ว่าเรื่องไหนไม่ดี อย่าไปมีศักดิ์ศรีมันเลยดีกว่านะยอมก็ได้นี่เพราะฉะนั้นใครยอมได้นั่นแหละกลับจะมีศักดิ์ศรีในทางที่ดีจริงๆคําว่าศักดิ์ศรีเนี่ยคําว่าศีเนี่ยแปลว่าแปลว่าความดีนะศักดิ์นี่ก็เหมือนกับฐานะเหมือนอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีเนี่ยก็คือฐานะที่จะทําให้ดีคําว่าศักดิ์ศรีเพราะจริงๆนะถ้าโดยตัวเนื้อจริงๆที่เราจะแปลในด้านที่ให้เห็นว่าศักดิ์ศรีไปในด้านที่ดีนะ นะ ก, ก็ต้องหมายถึงสิ่งที่ดีถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้นะอาตมาว่าก็คงก็คงอย่าไปยึดเลยนะถ้ามันอะไรที่ไม่ดีจะลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายก็แล้วแต่มีอีกคำถามหนึ่งเขียนมาว่าเป็นคนที่ทุกข์ไม่เป็น<ม>เลยโอ้โหเก่งนะทุกข์ไม่เป็นโกรธไม่เป็น เกลียดไม่เป็นเอ้มีความรู้สึกหรือเปล่าเนี่ยฮทุกข์ก็ไม่เป็นนะโกรธก็ไม่เป็นนะเกลียดก็ไม่เป็นแต่ทําไมยังมีคนตั้งตนเป็นศัตรูเป็นเพราะอะไรท่านช่วยตอบด้วยโอ้โหอันนี้อาจะมาบอกคุณได้เลยอย่าว่าแต่คุณเลยนี่อาจะมายังไม่พูดว่าทุกข์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นนะอัตมายังไม่พูดอย่างนั้นอัตมาอยากจะบอกคุณว่าอย่าว่าแต่คุณเลย ต่อให้พระพุทธเจ้าด้วยเอาเคยได้ยินได้ฟังบ้างมาเคยได้ศึกษาประวัติบ้างมาพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อเลยว่ารับรองว่าทุกไม่เป็นแน่รับรองว่าโกรธไม่เป็นแน่รับรองว่าเกลียดไม่เป็นแน่แต่มีไหมมีคนมาเบียดเบียมีคนมาเล่นงานมีคนอะไรมาไหมระดับพระพุทธเจ้ายังมีเลยแล้วคุณเน่เก่งกว่าหรือไง <c oughs> คุณเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าท่านแน่ใจว่าเราไม่เก่งกว่า ให้รู้ความเป็นจริงเลย ว, ว่าหนีไม่พ้นเรื่องนี้คือเรื่องหนีไม่พ้นทำไมแม่ผู้เจ้ายังหนีไม่พ้นเพราะกว่าจะได้ดีเนี่ยผู้เจ้าก็มีทำไม่ดีไว้ด้วยมีบาปกรรมที่ไปทำทำเอาไว้ในอดีตที่ทำให้ต้องมาชดใช้เหมือนกันเมื่อมีเวรมีกรรมอยู่เหมือนกันเนะ่ะไม่ใช่แม้พอเป็นผู้เจ้าเสร็จบาปเวรกรรมอะไรที่เคยทามาก็เลยศู์ไปหมดไม่นะไม่ศู์นะ คันใครทำกรรมอะไรไว้นี่มันตามไปตลอดต่อให้เป็นผู้เจ้ามันก็ตามไปเล่นงานเพราะฉะนั้นผู้เจ้าก็ยังโดนโดนกริ้งหินทับมัง่งโดนเขาเอาช้างมาไล่เหยียบปั้งโดนเขาให้คนแม่นธนูมาแอบซุ่มยิงมัง่งโอ้โหเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีวิบากกรรมอย่างนี้มาเล่นงาน คุณอย่าไปแปลกใจแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเองเนี่ยเราปฏิบัติทําได้จริงแล้วเรามุ่งหมายที่จะปลดไอ้พวกนี่เวียนี่กรรมพวกนี้ไปให้ได้คุณอย่าไปเป็นศัตรูกับใครแม้ว่าคุณยังมีศัตรูที่จะมาเล่นงานคุณอยู่แต่คุณอย่าไปเป็นศัตรูกับเขาตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะหนีไม่พ้นหรอกถึงบอกแล้วว่ายังไงเนี่ยคนที่เราเคยไปทําเวีทํากรรมแบบเขาไว้ ก็ถือซะว่าเขาเป็นศัตรูเราก็แล้วกันเขาก็าต้องมาตามเล่นงานเพราะเขายังไม่นิพพานนี่ถ้าท่านนิพพานไปแล้วเขาไม่เขาไม่มาเกิดอีกใช่ไหมเขาก็ไม่มาเล่นงานคุณแต่ตอนนี้นี่เขายังไม่นิพพานเนะี่ยเขายังมาเกิดอีกอะบางทีเขาเป็นสัตว์บ้างเป็นหมาบ้างเพราะันบางคนโดนหมาไล่กัดจะแปลกใจอย่าแปล ก, <laughs> กใจว่าทําไมหมามาไล่กัดเราบางทีไปด้วยกันเนี่ยสามคนเราเดินตรงกลาง มีคนเดินข้างหน้าอีกคนนึงเดินข้างหลังมามันังอุตสาห์มากัดคนตรงกลางซะอีกมันไม่กัดคนข้างหน้ามนไม่กัดคนข้างหลังมันมากัดคนตรงกลางเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกไอ้เรื่องพวกนี้มันมีจริงๆนะเพราะากรรมเก่ามันมีจริงๆแล้วถ้าใครเนี่ยศึกษาเข้าใจพวกกรรมเก่าอะไรพวกนี้ได้แล้วนะโอ้คุณไม่ค่อยมากังวลอะไรจะเกิดขึ้น นะต่อให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่อให้เป็นอุบัติเหตุจริงๆถ้าคุณศึกษาเรื่องวิบากกรรมต่างๆแล้วเนี่ยคุณจะวางใจได้ขนาดหนึ่งตามที่เราเก่งนะคุณจะวางใจได้ขนาดหนึ่งเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันรู้เลยว่าไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ที่จะต้องมาเจออย่างนี้จะต้องมาโดนอย่างนี้โอ้กูทาเองไม่ใช่ใครทำนะกูทาเองไม่ใช่พอโดนรถชนเปี้ยงง่ายใครขับ ใครับทันทีเลยนะไม่ต้องเลยตอนนี้ไม่ต้องใครขับอ <c oughs> ่ะกูขับเองแหละก <c oughs> ูขับนี่หมายถึงว่าเราเองไปสร้างวิบากกรรมอะไรไว้นะถึงจะต้องมาเจออย่างนี้แล้วก็ถึงจะต้องมาโดนอย่างนี้เพราะนี้ถ้าใครศึกษาเรื่องกรรมเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ค่อยไปโทษนอกตัวนอกต น, อ, กตน อ, กตอะไรสักเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาที่ตัวเองแล้วเพราะอย่างนี้อ่ะถึงบอกว่ามันจะวางใจแล้วมันจะคลายใจได้ง่าย เขาก็เลยไม่ค่อยไปถือสาไม่ค่อยไปนาเกลียดชังไม่ค่อยจะไปคิดแค้นเป็นศัตรูอะไรกับใครเขามันถึงจะไม่ค่อยมีใจอย่างนั้นแต่ถ้าตราบใดคุณไม่มีใจแบบนี้นะอาตมาบอกคุณได้เลยพอคุณไปเจออะไรเข้าปั๊บทันทีเลยปกติสัญทัตจยานใครทากู้ใครทํากู้ทันทีเลยจะเกิดขึ้นทันทีบอกคุณได้เลยบางทีเนี่ยวันนี้ยังยกตัวอย่างว่าเดินไปเราไปตกท่อเนี่ย พอตกท่อนะใครมาเปิดท่อไว้ทันทีคุณมันเอาเลยละมันเอาที่คนอื่นทันทีเลยนะมันไม่คิดหรอกว่ากูเดินซุ่มซ่ามเองอะและ้วก็ตกท่อมันไม่ค่อยคิดอย่างนี้หรอกนะแต่มันจะคิดวั น, นเย็นนี่ยดูซิใครมาเปิดท่อไว้ไม่ทําอะไรให้เรียบร้อยมันจะโทษออกนอกตัวเสมอถ้าอย่างงี้คุณก็จะมีใจที่สร้างศัตรูอยู่ตลอดเพราะว่าแค่คุณคิดอย่างนี้ขึ้นมาคุณก็พร้อมจะเป็นศัตรูกับไอ้คนวางท่อแนละ้ว ใช่ไหมล่ะอ่าก็ไม่รู้ละใครมาวางท่อก็แล้วแต่แต่คุณเริ่มแล้วเริ่มเป็นศัตรูแล้ะแต่ตรงข้ามเลยถ้าเรามองมาที่ตัวเราแล้วเราเข้าใจเรื่องของวิบากกรรมต่างๆนะมันก็จะมาพิจารณาที่ตัวเราใช่ไหมมันก็จะตัดคนอื่นออกไปเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครเป็นศัตรูใจอย่างนี้แหละคุณใจถึงจะไม่ค่อยทุกข์ฟังดูนะถ้าคุณทําใจอย่างนี้ได้นะ ใจคุณจะไม่ทุกข์ใจคุณจะไม่โกรธใครใจคุณจะไม่เกลียดใครแล้วมันจะได้เองถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นี่คือคำตอบนะสำหรับสาหรับคนนี้ถ้าอย่างนั้นอาจมาสรุปนิดหน่อยตรงประเด็นที่เรียกว่าว่าเนี่ยปัญหาต่างๆที่ถามมาจริงๆเนี่ยควรจะถามปัญหานะ เพราะว่าพวกเราฟังฟังฟังฟังไปเนี่ยอาตมาว่าฟังมันไม่ยากหรอกนะแต่ว่าคิดยังไงมาอีกเรื่องหนึ่งนะฟังมันไม่ยากแต่พอไปคิดคิดบางทีคิดไปคิดมาคิดสับสนหรือบางทีคิดไปแล้วนี่คิดตรงข้ามกับที่พวกอาตมาเทศเลยนะบางคนคิดไปคิดมาแ้วคิดตรงข้ามกับที่พวกอาตมาเทศเลยก็มีไอตอนแรกมันก็อะไรนะเขาบอกว่าอะไรขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่พอเราลงไป มันอาจจะกลายเป็นบ้องกัญชาก็ได้เพราะบางคนคิดไปคิดมามันคิดไปตามกิเลสตัวเองอะ น, นะคิดไปคิดมาหรือเพี้ยนไปตามกิเลสของตัวเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วหรือใครเอากลับบ้านไปปฏิบัติแล้วก็ตามนะบางทีเราอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะสงสัยหรือบางทีทําไปแล้วก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกับที่ไม่ตรงกับที่ท่านพูดเลยนี่ น, น้าที่จะจดเอาไว้พอถึงเวลาอย่างเนี้ยมีโอกาสที่จะพูดคุยซักถามเราก็ถามเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในเบื้องต้นปฏิบัติไปใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ในเบื้องกลางปฏิบัติต่อไปแล้วมันเริ่มจะแปลกออกไปอีกหน่อยจนในที่สุดพอไปถึงเบื้องปลายปฏิบัติไปแล้วเพอๆมันตีกลับมาแล้ว ซึ่งดูแล้วเหมือนกับบางทีมันย้อนแยง้งมันขัดแยง้งแต่ความจริงมันไม่ขัดแย้งเลยถ้าใครปฏิบัติไปเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายนะครบทั้งสส่วนนี้คนนั้นจะเข้าใจว่าอ๋อทําไมมันมันถึงได้เหมือนกับตีกลับมาอย่างนี้จะไม่สงสัยจะไม่สับสนแต่บางคนเนี่ยบางทีเราปฏิบัติไปในเบื้องต้นหรือว่าเบื้องเบื้องกลางเสร็จเอา้าที่ท่านพูดบางทีท่านก็พูดเลยเถิดไปนะพูดจนกระทั่งไปถึงเบื้องปลายอ่ะ บางครั้งมันอ้ามันมันตีกลับมาแล้วนี่มันมันไม่เหมือนกับเบื้องต้นที่ปฏิบัติแล้วมันบางทีงงะบางคนเมาเลยเมาไปเมามาเลยรู้สึกว่าเอ๊เดี๋ยวย้ายสำนักดีกว่าเพราะว่าสำนักนี้ก็พูดอย่างนี้สำนักโน้นก็พูดอย่างงนเมาไปหมดเลยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมมันเยอะเยอะมากๆเลยอาตมาอยากสรุปลงตรงที่เรียกว่า ขอให้พวกเราเนี่ยไปทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองเพราะคนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดคือตัวของคุณเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นมาพูดให้ฟังคนอื่นเนี่ยอย่างเก่งกันแนะนําหรือบอกกล่าวไปบ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงคนที่จะตัดสินใจแล้วก็จบขาดตรงไหนได้ตัวเราเองเท่านั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยในกำลัมาสูตร ถ, ถึงยืนยันเอาไว้ว่านะคุณจะได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ตามท่านสรุปจบตรงที่ว่า ไปทดลองดูถ้าทดลองแล้วปรากฏว่าผิดอย่างนี้ไม่ใช่แน่เป็นไปไม่ได้นะเราจะได้เลิกซ ะ, ะแต่ถ้าทดลองแล้วเอออันนี้ใช่ทําแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆผลก็ออกมาอย่างนั้นจริงอันนี้ถูกต้องถ้าถูกต้องก็ทําต่อไปแล้วเราก็ยิ่งรู้ชัดเจนแล้วก็ยิ่งรู้มากขึ้นออันนี้บอกว่าสมมุติว่าเนี่ย โดนทำร้ายนะสมมติมีคนมาทุบมาตีอะไรอย่างนี้น่าโดนทำร้ายแต่นี้เราก็ปล่อยเลยเร า, าฝึกมาดีแล้วนะเราก็เลยปล่อยให้เขาทุบอยู่ข้างเดียว <c oughs> ป, ลยปล่อยให้เขาทำอยู่ฝ่ายเดียวเพราะคิดว่าถ้าเราไปตอบโต้เรื่องก็จะยาวนะก็เลยให้เขาทุบตีอยู่ฝ่ายเดียวผลรับคือผลผลออกมาเนี่ยนะผู้ถูกตีไม่เป็นอะไรเลย แต่คนที่ตีกับเป็นหนักถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลเออแล้วเขาก็ส่งท้ายมาว่าแปลกไหมคะเออแปลกอันนี้เห็นด้วยว่าแปลกอคนโดนทุบแสดงว่าคนที่ถูกทุบนี่หนังเหนียวดีมากเลยนะแล้วก็อยู่โยงคงกระพันนะ แ, แสดงว่าเขาทุบเอาทุบเอานี่เขาคงเมื่อยก็คงเจ็บปวดจนกระทั่งเขาเลยต้องไปเข้าโรงพยาบาลโอ้โหแสดงว่าคนโดนทุบนี่ เขี่ยวชาญชํนานาญในการถูกทุบนะเหมือนกระท้อนที่รู้สึกว่ายิ่งถูกทุบ ก, ก, ก็ยิ่งหวานยิ่งอร่อยยอดเยี่ยมอ้าวถ้าหนังเหนียวจริงคงกระพันจริงไม่มีปัญหาใครจะทุบจะตีแล้วเราก็อดได้ทนได้นะเราก็ทําได้จริงๆนะก็ทําแต่พูดอย่างนี้อาตมาก็ไม่อยากให้พวกเร า, าประเภทอะไรอ่ะถือศีลปฏิบัติธรรมชนิดที่เรียกว่า เลยเขาเรียกแบบกดข่มอ่ะนะเขาอยากจะทุบก็ให้ทุบอยู่ลูกเดียวไอ้อย่างนั้นคุณต้องอดทนให้พอนะคุณอดทนไม่พอนะ่ยคุณเข้าโรงพยาบาลแน่ถ้าคุณไม่ถึงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยศาสนาพุทนี่เป็นศาสนาที่พระเจ้าท่านให้มีปัญญาด้วยนะศีลอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั้นหรือแม้แต่ฝึกเรื่องของฌานฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั้น หรือศีลสมาธิปัญญาอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีปัญญาประกอบด้วยนั่นไม่ใช่ปล่อยให้ทุกปล่อยให้ทุกจะตายอยู่แล้วปล่อยให้ทุกปล่อยให้ทุกตายจริงๆนะคุณเอ่เพราะฉนั้นแต่ต้องมีปัญญาด้วยพระเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญทุกขกรริยาอยู่หปีเจนทั่งถึงที่สุดแล้วท่านรู้แล้วว่าโอ้โหนี่มันผิดทางแง่ๆแล้วถ้าคืนปฏิบัติต่อไปตายแน่ๆท่านก็หยุดท่านก็เลิก เลิกอันนี้ทิ้งเพราะมันมันไม่ไม่เข้าทีไม่เข้าท่าแล้วอ่ะนะท่านก็หันมาฉันอาหารใช่ไหมหันมาเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางใหม่ในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมแล้วต้องมีปัญญาด้วยให้ปล่อยให้เขาทุบเขาทุบเนี่ยถ้าทนได้เอา้าทนแต่บางทีมันไม่ไหวอ่ะนะนะรายนี้อาจจะบอกแล้วคุณอยู่โยงคงกพันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าใครไม่หนังเหนียวจริงอะ่ะ โดนทุบไปแอกสองแอกตายอย่างนงี้ก็ปล่อยให้เขาทุบได้ไงเล่านะหลบได้ก็หลบสิเรื่องอะไรจะปล่อยให้เขาทุบบางทีวิ่งหนีได้ก็ยังต้องวิ่งหนีเลยเรื่องอะไรไม่ใช่เดี๋ยวเขาไม่ทุบอะ่ะคนนี้เขาเอามีมมาแทงคุงคุณอย่างเงี้ยโอ้เรื่องอะไรนะบางทีหลบได้ก็ต้องหลบอะ่ะไม่ไหวหรอกถ้าเราเจอคนผ่านมากๆ เจอคนเลวมากๆคือมันไม่สนใจไม่อะไรเลยนี่อ้าวลบได้เรียงได้อะไรก็ลบต้องมีสติปัญญาไม่ใช่เรากลัวหรือว่าไม่ใช่เราเกลียดเขาไม่ใช่ถือว่าเขาเป็นศัตรูอะไรนะแต่แหมเรื่องอะไรจะตายฟรีๆอ่ะเออตายฟรีๆยังไม่ฉลาดอะไรเลยนะปฏิบัติธรรมไปได้ก็ะจึงเดียวเองด้วยโอ้โหเราอยากอยากปฏิบัติธรรมไปให้ได้ยืนยาวให้มัน แม่ชาตินี้ไหนๆก็เกิดมาเป็นคนนี่นะโอกาสได้มาเจอธรรมะโอกาสได้ไปถือศีลปฏิบัติทำให้ยิ่งๆขึ้นนี่ยังทําได้ไม่เท่าไหร่เลยตายซะก่อนแย่สิอย่างนี้เพราะพอตายไปปั๊บว่าคุณจะได้ไปเกิดใช่ไหมกว่าจะได้เกิดแล้วกว่าจะโตอีกอะกว่าจะเดียงสากว่าจะรู้เรื่องของธรรมะอีกอะอยังขี้หมูขี้หมาอย่างตามที่สุดก็เผลอๆกับ ชาไปอีกเป็นสิบปีใช่ไหมกว่าที่คุณจะมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมได้ใหม่อีกนี่นีนี่พูดระยะสั้นให้แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราได้ร่างกายนี้มาแล้วได้ชีวิตนี้มาแล้วชาดนี้นะมีตัวตนนี้มาดีแล้วถ้าเราสามารถมีโอกาสได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมได้บําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลของเราได้มากขึ้นพยายามทํำเลยนะอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรค เป็นปัญหาของเราถ้าเราเองดูแลเออพอเลี่ยงได้พอต่อรองกันได้เลี่ยงต่อรองเพื่อที่จะให้มาอย่างนี้อาตมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยโง่มาอยู่คืออาตมาเนี่ยเคยต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นะเสียเวลาไปเป็นทหารเกณฑ์ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้เรื่องของกฎหมายไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะก็เลยไปเป็นทหารเกณฑ์คิดอยู่ว่า เป็นทหารเกณฑ์ซะมันจะได้จบจบไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถือศีลปฏิบัติธรรมให้ดีกว่านี้โท่แต่ก่อนนี้ถ้ารู้ว่าถ้าเรามาบวชเป็นพระจริงๆอนะเขายกเว้นให้เราได้อ่ะโทมาบวชตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่แห่มันไม่รู้มันเลยเสียเวลาต้องไปเป็นทหารเกณฑ์พอไปเป็นทหารเกณฑ์นี่โอ้โหคราวนี้ก็ไปรับอะไรต่ออะไรเข้ามาอีกสิไปเป็นทหารเกณฑ์เจอไอ้นั่นเจอไอ้นี่ก็เลยต้องเสียเวลาไปอีกตั้งหลายปี กว่าจะได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดอีกมันไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาได้นะอะไรที่เราสามารถทําให้ตัวเราเร็วแล้วก็เข้าสูทา่ทางธรรมะได้มากขึ้นแม้เป็นคารวะแม้อยู่ที่บ้านใช่ไหมสามารถปฏิบัติได้นี่กลับไปบ้านเนี่ยบางทีก็เออเอา้าบางทีศีลข้อนั้นศีลขอ้อนี้เราพยายามถือให้มันดีขึ้น เนี่ยทำได้นะก็ดูคนรอบข้างไว้ด้วยว่าเขารับไหวไหมนะดูบ้างถ้าเขาก็พอรับไหวเราก็ทําทําไปแล้วก็เออก็ดีสำหรับตัวเราด้วยจริงก็อาจจะโดนคนเขาแซวบ้างอาจจะโดนคนเขาถามบ้างเขาตําหนิบ้า ง, เข า, างเขาว่าบ้างมีทั้งนั้นแหละถ้าคุณปฏิบัติทมคุณต้องเจอยิ่งปฏิบัติทำแบบสายอโศกนะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนกับทั่วทั่วไปเขาบางทีเขาก็ว่าบ้าๆไอ้พวกที่บ้าๆ นะก็บ้าก็บ้าว่านะถ้าสมมุติว่ามันมันมาในทางที่ดีได้นะบ้ามาในทางที่ดีได้แล้วก็เอาอ่ะแต่จริงๆมันไม่บ้าอะไรหรอกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยนาะคนมันไปคนละทิศคนละทางกันแล้วถ้าเราเองเราเข้าใจอันนี้ได้อตมาคิดว่านะก็อย่าปล่อยให้ชีวิตตัวเองเดินช้าอะไรนักนะดีขึ้นมาได้ก็ทําเถอะอืออ่ะเดี๋ยววันนี้อตมาคิดว่าคง เรื่องของการตอบปัญหาคงพอเท่านี้ก่อนนะอะช่วงนี้คงพอเท่านี้ก่อน